บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องธรรมะปฏิบัติในส่วนที่จะป้องกันกิเลสซึ่งยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโดยพยายามตั้งสติระลึกรู้อารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะ แล้วมาดูความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของเราว่าในแต่ละขณะนั้นมีกิเลส ข, ข้อใดข้อเดึงเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงและเพียรพยายามลดละบรรเทากิเลสเหล่านั้นไม่ตั้งอยู่ภายในจิตได้นาน ถ้าสามารถสงบไปได้เลยในแต่ละขณะก็จะเป็นการดีการมองใ น, นในแนวนี้ผู้สังเกตว่าคล้ายๆกับการสังเกตเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราเพียงอาการของโรคหรือพาหะของโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็มองเห็นข้าวในอากาศ ต, ต่อไปว่าความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้น แต่าสามารถป้องกันได้ในตอนต้นก็ไม่ต้องเป็นโรคใ น, ในขณะนั้นๆและแม้แต่เริ่มอาการของโรคขึ้นมาแล้วแต่ถ้ากระจัดออกไปได้ความเสียแทงของโรคก็จะไม่รุนแรงไม่ทิ้งช่วงไว้นานๆความลำบากที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่มากนะัก ประเด็นสาคัญคือต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเราต้องยอมรับว่าเป็นโรคก็ต้องยอมรับว่าเป็นโรคไม่ใช่ว่าปฏิเสธอาการของโรคเ่านั้นเพราะถ้าหากว่าปฏิเสธแล้วความเพียรพยายามที่จะบรรเทาที่จะระ ง, งับที่จะดับที่จะบัาบัดอาการของโรคก็จะไม่เกิดขึ้นความรุนแรงของโรคก็จะเพิ่มขึ้นโดยลาดับ ถึงจุดหนึ่งอาจจะยากต่อการแก้ไขในวกางปฏิบัติแนวนี้มีแม้ในส่วนอื่นๆเช่ความสกปรกที่เกิดขึ้นที่เสื้อผ้าก็ดีที่สถานที่อยู่อาศัยก็ดีถ้า ร, ารีบกระจัดเสียในตอนต้นการหมักหมมการสะสมสิ่งสกปรกก็จะลดน้อยลงไปกรณีผนสังเกตว่า คนบางคนที่พยายามดูแลเจตใจใบัรเรือนของตนมันปัดกวาดมันเช็ดถูมันป้องกันบัรเรือเหล่านั้นก็พร้อมที่จะใช้สอยในดิยาบททั้งปวงไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็าตามนั้นแสดงเห็นว่าบุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าในส่วนนั้นมีฝุ่นมีละอองจับจูก็ปัดกวาดทุกเช้าทุกเย็น สถานที่เหล่านั้นก็สะอาดได้การปลุกปืนในด้านใจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะธรรมะที่เป็นอุปการคุณอย่างสำคัญในกิจกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำรงชีวิตประจำวันการศึกษาแล่วเรียนการทำธุระหน้าที่ของตนโดยการใช้เรเบลดทั้งหลายจะยืนเดินนั่งนอนก็ตาม ความเป็นคนทำอะไรยังมีสติระลึกรู้รู้ก่อนที่จะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดก่อนจะเดินก่อนจะกินก่อนจะขับรถหรือก่อนจะทำอะไรก็ตามให้ระลึกรู้ซะก่อนระลึกรู้ในแต่ละขณะกำลังทำอยู่กาลังคิดอยู่กาลังพูดอยู่กำลังเดินอยู่กาลังขับรถอยู่ก็มีสติระลึกรู้ และสิ่งอะไรที่ได้ทำไปแล้วกระลึกย้อนกลับมาได้ว่าได้ทำถูกต้องแล้วเรียบร้อยแล้ว้าสามารถมีสติระลึกได้อยู่ทั้งสามช่วงอย่างนี้ความผิดพลาดทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นได้น้อยหรือเกิดขึ้นไม่ได้เลยข้นี้เพืนสังเกตว่าความผิดพลาดบางอย่างเป็นเรื่องของอดีต เต็มรวยผลให้เกิดขึ้นในปัจจุบันต้องถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุ่มค่มขงังลงโทษถ้ า, าเรามองย้อนกลับไปว่าทำไมจึงมาเป็นปัญหาในปัจจุบันทั้งๆที่เรื่องมันผ่านมาทั้งหลายปีแล้วเราก็จะพบ้่าในขณะนั้นในช่วงนั้นเลยต้องขาดสติไปในเรื่องใดเรื่องหนึง่ง อาจจะขาดสติหลังจากได้ทำไปแล้วแล้วก็ลืมพิจารณาทบทวนดูว่ามันมีความบกพร่องผิดพลาดอะไรหรือไม่แม้มีสิ่งกระตุ้นเตือนในตอนหลังก็ไม่ได้เฉลียวคิดไม่ได้ย้อนกลับไปคิดพินิพิจารณาปัญหาเหล่านั้นก็กลายเป็นปัญหาอยู่ตรงนั้นในขณะที่ความเลวร้ายยังไม่เกิดขึ้นก็ดูแลเหมือนกับไม่มีอะไร แต่พอมีความเดร้ายเกิดขึ้นมันก็มีการมองย้อนกลับมาว่าเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้ตามเหตุนั้นอย่างเรามีข่าวคราวที่เกี่ยวกับการจับกลุ่มการแจ้งข้อหาบุคคลที่มีส่วนร่วมให้การอนุมัติการพิจารณาแบบแปลนแผนผังการสร้างโรงแรมเชโครา เรามองย้อนกลับไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์เมื่อทั้งห้าปีที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันแ ต, ต่การเหล่านั้นแสดงให้เห็นเรื่องความบกพร่องการขาดสติการขาดสัมพชัญญะบางคนก็อาจจะมีสติแต่ขาดสัมพชัญญะคือความรอบรู้ในเรื่องแบบแปลนแ ผ, นผ่นฟางเหล่านั้นอาจจะเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจ เนี่ยจะเกิดจากเป็นการไหลของระบบงานบางคนก็มีการเสนอแล้วก็เสร็จไปเลยแต่เมื่อต้องรับผิดชอบปรากฏว่าต้องรับผิดชอบในคณะเป็นผู้กระทำผิดในส่วนกระทำความดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผลที่นํามายกย่องสรรเสริญให้รางวัลเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นต้นที่จริงก็เป็นเรื่องของอดีต แต่ถ้าเรามองกลับไปสู่อดีตก็จะเห็นความสมบูรณ์พร้อมของสติสมมจัญญะความเพียรที่บุคคลได้ใช้ไปในกรณีนั้นๆและผลงานจากความสมบูรณ์ของสติสมจัญญะความเพียรที่ใช้ไปปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ก็มีการมองย้อนกลับไปจากสิ่งนั้น การเกิดขึ้นของสิ่งนั้นการกระทำสิ่งนั้นและผู้กระทำสิ่งนั้นก็นำผู้กระทำสิ่งนั้นมายกจ่องมาสันเสริญกันความมีสติสัมผัจัญญาความเพียรจึงไม่ได้เจาะจงอยู่เฉพาะเรื่องของ ส, สมาธิเพียงแต่ว่าการเจริญสมาธิเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องนามธรรมากันล้ว น, วนจิตเองก็เป็นนามธรรมา กิเลสเองก็เป็นนามาธรรมสติสัมปชัญญะความเพียรเองก็เป็นนามาธรรมปรัญหาสําคัญว่าในแต่ละขณะหากว่าสติสัมปชัญญะความเพียรซึ่งเป็นกุศลคุ้มครองจิตในขณะนั้นกิเลสเรื่อความชั่วที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่เกิดแล้วก็ต้องลดละลงไปมันเ่าลงไปแต่บางขณะกิเลส ความโกรธความริษยาความเขย่คร้านการขาดสติเป็นต้นมันเกิดขึ้นรุนแรงในขณะนั้นสติสัมปชัญญะความเพียรมีกำลังอ่อนคุ้มครองอะไรไม่ได้ใจก็ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านั้นการกระทำผิดการพูดผิดซึงเริ่มมาจากการคิดผิดก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีผลทยอยกันเป็นลูกคลื่นดังที่กล่าวไว้เพราะในกรณีเหล่านี้ ที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเห็นเป็นถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในทุกกรณีไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีของธรรมะหรือกรณีของการดารงชีวิตกรณีการตอบคำถามหรือการตัดสินปัญหาต่าง สับใดที่ยังมีความเคลือแคลงสงสัยโอกาสเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกจะมีอยู่มากมันก็คล้ายๆการตอบคำถามที่มีการออกข้อสอบแต่เรารู้ชัดเจนมันก็ตอบไปรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่แน่ใจโอกาสเสี่ยงมันก็สูงถ้าไม่รู้ก็เป็นอันจบสิ้นกัน พอเนื้อหาวิชาที่เรามีการตอบมีการเรียนหรือมีการนําไปใช้ในภาคปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นอะไรที่เรารู้ชัดจะไม่มีปัญหาอะไรอะไรที่เรายังเคลือบแแปลงสงสัยมันก็ 50-50 อะไรที่เรายังไม่รู้เลยก็คืนทําไปก็จะผิดกันใหญ่คือเข้ารคเข้าปงกันใหญ่ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า การใช้ธรรมะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแต่ ง, งานยิ่งประณีตธรรมะก็ต้องเพิ่มขึ้นต้องใช้มากขึ้นแต่ ง, งานหยาบธรรมะไม่มากเท่าไหร่ก็ใช้ได้ก็ตำนองคล้ายๆกับเราจะทำเครื่องเราจะเราจะผ่าฟืนหรือว่าตัดต้นไม้ความรู้ในเรื่องผ่าฟืนตัดต้นไม้ไม่มากก็ได้ ต่เมื่อนำไม้นั้นผ่านขั้นตอนมาจนเป็นเฟอร์นิเจอร์จะใช้ความรู้ระดับตัดไม้ระดับผาาฟืนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ความรู้จะต้องมากกว่านั้นความละเอียดละออ จ, จะต้องมากกว่านั้นจึงจะทำเฟอร์นิเจอร์ได้และในเฟอร์นิเจอร์เองมันก็มีปีมือชั้นต่างๆกันออกไปแต่มายความว่าสุดยอดของเฟอร์นิเจอร์แต่ละเรื่อง จะต้องผ่านประสบการณ์ผ่านสติสัมปชัญญะความเพียรที่มีความต่อเนื่องเผลอนิดเดียวเพลือหน่อยเดียวก็มีปัญหาแล้วดังนั้นการเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะในทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่ า, ายงยิ่งในเรื่องของความเครียดแกรง่งสงสัยที่ถือว่าเป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทุกเรื่องนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน จะต้องพยายามกระจัดความเคร่อข่ายสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในไตรสิขาออกไปให้ได้แน่นอนเรื่องบางเรื่องจะยกตัวอย่างว่าอาระหังที่แปลว่าพระพุทธเจ้าทรงหักกรรมแห่งสังสารวัชจักคือทำลายกิเลสและกรรมได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีการกับเรื่องอีกต่อไปทําให้พระองค์ไกลจากอานาจกิเลสและวาสนา แม้จะอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่มีการกระตุ้นให้รักให้จังให้โกรธให้กลัวให้หลงซึ่งก็เป็นอารมณ์ของโลกมันก็เป็นก็วันอย่างนั้นเองแต่พระไตยของพระองค์ก็อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ทั้งหลายจากข้างนอกอจะมีลักษณะอย่างไรไม่สามารถจะทำพระไตหวันไหวได้ทำให้พระองค์อยู่ในฐานะที่ควรไหว้ควรบูชาควรสักการะ ของบุคคลดีทั้งหลายเราจะมาเอาก็จริงแล้วเรื่องความบริสุทธิ์จากกิเลสก็ดีเรื่องความไกลจากกิเลสก็ดีเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าพระพจ้านิพพานไม่นานแล้วถ้าต้องการจะขจัดความเครียดแครงสงสัยในจุดนี้มันก็ทำได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาเรียนรู้แล้วพิจารณาถึงพุทธจริราในขั้นตอนต่าง ที่โปรงแสดงออกเป็นเรื่องราวเหตุการณ์มีบุคลคลเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเปน็นจำนมากแต่ลอดต้องการปฏิบัติภารกิจที่สมธรรมต่อโลกเมื่อมาหวังผลประโยชน์อะไรจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องทำในฐานะเป็นผู้ให้แล้วก็ให้อย่างแท้ จ, จริงโดยไม่ต้องการผลตอบแทนทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรม ความเคารพนับถือส ก, การะ บ, บูชาเป็นเรื่องสำนึกขุนเป็นเรื่องกตัญญูของพุทธศาสนิกชนเองพระเจ้าไม่ได้เคยขอร้องไม่ได้เคยเรียกไม่ได้มีในรูปของคำสั่งในรูปของคำสอนและมีความเคารพนับถือพระองค์มีการเสียสละเพื่อพระองค์ทำอะไรเพื่อพระองค์เราดูเลยมาได้จนถึง พระพุทธวจนะที่รับสั่งไว้เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากสอนพระพุทธศาสนามาถึง45พรรษาไม่ได้มีการประลบอะไรถึงพระองค์เลยรับสั่งตักเตือนให้พุทธศาสนิกชนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตเรานั้นหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้หลังจะเกิดไปแล้วความตายจะปรากฏเมื่อไรไม่มีใครกำหนดได้ เราทำยังไงให้พยายามใช้ช่วงที่มีชีวิตมีเรี่ยวแรงมีความเพียรพยายามอยู่มันเป็นความดีที่เป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้มากเท่าที่จะทำได้ถึงจะเห็ น, นว่าคำสอนเหล่านั้นใครไปน้อมนึกใครไปปฏิบัติใครไปพัฒนาขึ้นมันก็เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้นั้นไม่ได้ตอบอะไร ไม่ได้ตอบแทนอะไรพระพุทธเจา้าแต่เป็นการบูชาต่อพระพุทธเจา้าเพราะส่วนหนึ่งเราก็ต้องใช้การศึกษาการพิจารณาการอ่านการค้นควา้าการได้ยินได้ฟังมากแล้วจะเห็นพระคุณเด่นชัดเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันนี้เรียกว่าแนวโยนิสโสพนสิกาคือแนวใช้ปัญญาติดติพิจารณาไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อย คนในสมัยพุทธกาลเองก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีความค้องใจสงสัยในสถานภาพของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีกิเลสเพราะาคนทั่วไปนั้นต้องมีกิเลสคนที่ไม่มีกิเลสคนนึกไปออกว่ามาอยู่ได้อย่างไรพิได้อย่าง คนบางคนลงทุนมาหมกตัวอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าต้องการจะจับผิดติดตามทุกคนทุกแข่งนั่งสังเกตทุกกิริยาปทฟังทุกเรื่องที่ ท, ทรงแสดงจากความคิดจ่เป็นศัตรูต้องการมาจับผิดจริงๆทำงานคล้ายๆกระจายชนแต่ว่าจากการสังเกตการคิดการพินิ์พิจารณานั่นเองที่จริงก็คือเรื่องของการใช้ปัญญา ปัญญาที่พิจารณาไปมันเพิ่มศรัทธาแล้วก็เพิ่มปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะกลายเป็นศัตูคือเพิ่มความเป็นจตูมากยิ่งขึ้ น, นมีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้ น, นจนในที่สุดยอมตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ดึงเอาเจ้านายที่สั่งอยู่เบื้องหลังที่ส่งท่านไม้สูดสอบพระพุทธเจ้ากลับมาสู่พระพุทธศาสนาได้ด้วย ตึงจะเห็นได้ว่าแนวนี้เป็นแนวท้าทายทางพุทธศาสนาะที่เพราะไม่พิสูจน์ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระอริยสมละทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่จะต้องไปสู่ทดสอบจะมีกฎเกณฑ์มีหลักการในการพิสูจน์ทดสอบถึ่งบางครั้งเราก็พบว่าการพิสูจน์ทดสอบบางคนในสมัยนั้นรุนแรงไม่น่าเชื่อ ว, ว่าเขาจะทําแต่เขาก็ทํา ยันว่าพรามคนหนึ่งได้ยินข่าวคราวมีการพูดมีการล่าสู่กันฟังในหมู่พวกพรามโดยการว่าพระสาริบุตรนั้นท่านโกรธไม่เป็นทัดไม่โกรธใครพรามก็เก็บความสงสัยไว้แล้วก็ไม่เชื่อว่าคนไม่โกรธเพราะอะไรเพราะการตัดสินปัญหาต่างๆของมนุษย์เรานั้นมักเจาตัวเองเป็นฐานในการตัดสิน ให้ความต้องการแก่ตัวเองโดยลืมทั้งความต้องกาของคนอื่นเข ค, คิดว่าอะไรที่ตัวเองทําให้ได้คนอื่นก็ควรจะทําไม่ได้อะไรที่ตัวเองไม่รู้คนอื่นก็ไม่ควรจะรู้อะไรที่ตัวเอง ป, ปฏิบัติไม่ได้คนอื่นก็ควรปฏิบัติไม่ได้ด้วยเลย่ลนรุนแรงจนถึงกับเมื่อพระสารีบุตรเดินเที่ยวบินธบาตในตอนเช้าตามปกติของพระพระเออบย่องไปข้างหลังไปตีหัวพระสารีบุตร จนถึงก็พวกชาวบ้านจะล้อมประชาทันนอาพระสารีบุตรตีหัวแล้วก็เดินไปเฉยๆไปในหันกลับมาดูแต่ชาวบ้านก็โกรธที่ไปตีหัวพระก็จะรุมกันประชาทันพระสารีบุตรต้องหันกลับมาส่อถามว่าจะทําอะไรกันชาวบ้านเหล่านั้นก็บอกว่าพราะเรานี้ตีหัวพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจะลงโทษพระสารีบุตรก็สอนให้คิดว่า เขาตีหัวโยมหรือว่าตีหัวอาตมาคนเหล่านั้นบอกว่าตีหัวพระผู้เป็นเจ้าท่านก็บอกว่าอาตมาอ ย, อยัางไม่ได้ว่าอะไรและโยมจะทําอะไรเพราะทำไมนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในบุคคลระดับพระพุทธเจ้าระดับพระหันทั้งหลายหมายความมันยังไงหมายความมาตรงนี้เราก็เห็นความไกลจากกิเลสมันกระตุ้นกิเลสแรงขนาดตีหัวใครไม่โกรธมันก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้ว พื่อนภาษารีบุตรพระอาราหันต์ท่านจึงไม่ใช่คนธรรมดาที่ไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านั้นทีนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสศึกษาไม่มีโอากาสพนา้นคว้าพิจารณาเทียบเคียงมันก็ต้องใช้ศรัทธาคือความเชื่อเรียกว่าน้อมใจเชื่อโดยมองภาพรวมๆเอา ว่าถ้าพระพุทธศาสนาไม่ดีจริงคงจะไม่แพร่หลายไปทั่วโลกแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือแพร่หลายในหมู่นักปราชญาไม่ใช่แพร่หลายในหมู่คนปกติธรรมดาบุคคลีนนับถือศาสนายุคใหม่ที่นับถือศาสนาอื่นเมืก่อนเป็นคนที่มีความรอบรู้อย่างน้อยก็จบปัญญาตรีศึกษาวิชาศาสนาเปรียบเทียบมาจนแตกฉานแล้วและคนในต้นพุทธสมัย แม้ในกลางพุทธมัยส่วนใหญ่มันก็เป็นนักปราศไม่ใช่คนปกติธรรมดาศาสนาสืบต่อกันมามีคนเสียสละทุ่มเททรัพย์สินเงินทองต่างๆเป็นอันมากเพื่บูชาคุณพระพุทธเจ้าแสดงว่าต้องมีอะไรดีอันนี้คือแนวใช้ศรัทธาไปก่อนคือเรื่องไรที่เราอย่างใช้ปัญญาไม่พอเราก็ใช้ศรัทธาดำ เพราะแนวเหล่านี้จึงมีทั้งสองแนวที่เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมกันในความศรัทธาเองน้อมใจเชื่อในวัตถุในบุคคลที่ควรเชื่ออาจจะอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานองค์ประกอบต่างๆที่มองเป็นภาพรวมๆแล้วก็เห็นว่าควรแก่การน้อมใจเชื่อไว้มันในตอนแรกจะขจัดความไม่เชื่อ แต่ไม่จิตใจมีความมั่นคงขึ้นแล้วต่อไปก็จะกัดขจัดความเครียดแครงสงสัยเรื่องอะไรที่ยังสงสัยอยู่บ้าง ก, ก็ต้องปล่อยไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วคนที่ขจัดความเครียดแครงสงสัยได้จริงๆมันไม่ใช่สามัญชนมันเป็นคนระดับพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเพื่อเราเฉพาะที่ยัง ที่กระจัดความเคลือบแรลงสงสัยได้แล้วไปก่อนแต่ก็ต้อง ด, ดำเนินตามขั้นตอนที่ท่านแสดงเอาไว้นั่นคือศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้สิ่งอะไรที่ท่านสอนในลดละแล้วก็มองเฉพาะที่มันใกล้ๆตัวที่ง่ายๆไปก่อนท่านสอนในงดเว้นอบายยมุข สอนให้รักษาศีลหา้าสอนแม่ทําอะไรให้เป็นการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นเราก็รู้ว่าอย่างนี้เป็นคําสอนที่เป็นอย่างนั้นจริงไหมเป็นโทษจริงไหมให้ความทุกข์ความเดือดร้อนจริงไหมและเป็นการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นจริงไหมการฆ่ากาันดีหรือเปล่าการลักขโมยการดีไหมการล่วงเกินทางประเวณีการดีไหม การเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพ น, นันกวบคนณชั่วเป็นมิตรเกียรติขัน้นทําการงานเที่ยวกลางคืนถึงการเล่นต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจริงไหมหรือว่าเป็นโทษแก่ชีวิตก็นี้เมื่อเรามองไปเราคิดไปเราก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสทั้งองค์พระพุทธเจ้าทั้งองค์ธรรมะพระคำสอนเรานั้นเป็นธรรมะ เลทั้งไตรสิกขาคือบทบัญญัติที่ส่งสอนให้ปฏิบัติบทบัญญัติที่ส่งสอนไว้นั้นมันก็เห็นกันง่ายๆเราเห็นระดับสมาธิยังไม่ได้มันก็ดูระดับศีลซะก่อนบ่ทถาโลกถ้าสังคมถ้าบ้านเมืองทุกส่วนของโลกงดเว้นการระทุศรัยร่างกายระทุศรายตทรัพย์สินละทุศ ร, า ย, รายทางเพศ งดเว้นจากการโกหกต ก, กลวงใส่ร้ายกล่าวหากันงดเว้นจากสิ่งเสพติดโลกจะมีความสงบสุขขนาดไหนตัวอย่างในการเทียบเคียงก็อาจจะดูข่าวโทรทัศน์อาจจะอ่านจากหนังสือพิมพ์อาจจะฟังจากวิทยุความรุนแรงในโลกตั้งแต่โลกมีโลกมามันก็ไม่ได้เกินเกี่ยวกับเรื่องประทุษร้ายทางร่างกายชีวิตทางทรัพย์สินคู่ครอง ในการปุดคำเทศคำหยาบการด่าว่า ก, กันแล้วก็ตกเป็นท่าของสิ่งเสีจิตอันเดียกรกรที่มีการจับกลุ่มคุมขังลงโทษมันก็มีเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นความเดือดร้อนเหล่านี้มันสืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากคนไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามชื่อว่าไ ม, ไม่เบียดเบียนตันตนเองและไม่เบียดเบียบนบุคคลอื่นสังคมก็จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข เพราะการพินิพิจารณาเทียบเคียงไปเรื่อยๆมองอะไรดึงเข้ามาหาธรรมะแล้วก็จะมองเห็นความดีงามของธรรมะชัดเจนมากจริงขึ้นซึ่งหมายความว่าศรัทธานั้นก็จะมั่นคงขึ้นเพราะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยศรัทธาที่มีกำลังขึ้นจะทำให้บุคคลพร้อมที่จะปฏิบัติในทานในศีล ซึ่งเป็นการขาจัดความโลภออกไปบ้างความโกรธออกไปบ้างความลงออกไปบ้างแล้วจนถึงกับขจัดพวกโทสัจวนว่าคนที่เราศรัทธาวัตถุที่เราศรัทธาเราจะปกป้องธนุถนอมบุคคลที่เราศรัทธาเราจะไม่โกรธหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าพลังของศรัทธานั้นได้ขจัดความโกรธไปแต่ถ้าคนนั้นเราไม่ศรัทธา เขาทำอะไรให้เราไม่พอใจเราจะโกรธคนที่เราศรัทธาเราจะไม่โกรธคนที่เราศรัทธาเราพร้อมจะสละจะบริจาคช่วยเหลือคนที่เราไม่ศรัทธาแม้เศษของเหลือใช้เราก็ไม่ให้นั่นแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่มีปลังก็งธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่กระจัดความช่วโดยตัวขนงธรรมะเอง แล้วก็เดินเรื่อยไปจนถึงกระลักของไใจจิกขาที่ว่าใจจิตขาที่จริงมันมีความสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงทําให้บริบูรณ์ในไใจจิกขาคาสอนที่เรียกว่าธรรมะซึ่งเราจะต้องประพฤติปฏิบัติสรุปรวมแล้วก็คือเรื่องของใจจิตขาในเรื่องควบคุมกายควบคุมวาจาไม่ให้เป็นการเบียดเบียนต่อตนเองและบุคคลอืน่น กีก่กควบคุมความคิดไม่ให้คิดแล้วตัวเองร้อนไม่ให้คิดตัวเองคิดแล้วเป็นทุกข์กังวลสร้างปัญหาสารพัดได้เกิดขึด้นทังนั้นที่จริงในช่วงนี้มันก็ไม่เบียดเบียนใครแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นสัตว์สังคมคนเรามีพ่อมีแม่มีสามีปัญญามีเพื่อนฝูง เมื่อคนอื่นเขาเห็นเราเป็นทุกข์เห็นเราวิตกกังวลในเรามีปัญหาเขาก็เดือดร้อนทําไมก็เดือดร้อนเพราะเขาไปยึดติดว่าเราเป็นญาติของเขาเป็นลูกของเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นสามีพันดาของเขาแต่ถ้าคนที่เขาไม่ยึดอย่างนั้นเขาก็ไม่ทุกข์ไอ้จากจุดนี้เราก็ไปมองเห็นความจริงที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อกเราโดยสรุปแล้วจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธะนั้นเองเป็นทุกข์ ก็ทาให้มองเห็นในทุกขสัตค์หรือความจริงรวบยอดที่ทรงแสดงเอาไว้จะทำให้สามารถถ่ายถอนความยึดมั่นรือมั่นในสิ่งตั้งหลายอย่างน้อยที่สุดก็ทําใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแก่คนแก่าสตร์แกส่แกสิ่งทั้งหลายที่ทรงสอนให้เตรียมกายเตรียมใจมันยังไม่เกิดก็คือยังไม่เกิดที่จริงมันเกิดเพียงแต่ว่าไม่เกิดชัดเจนแต่นั้นเอง สอนให้ดูที่ความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลา ด, ดซึ่งเป็นปกติธรรมดาแห็งว่าตัวนั้นเองถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่มีอะไรความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลาดเอาก็จริงแล้วปัญหา ว, ว่าใครแก่ใครเจ็บใครตายใครพัาดพลาถ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราก็ไม่ทุกข์ทำลายถ้าเป็นศัตรูเราเราเป็นสุขเลยซ้าไป เห็นค่าสึกแก่เห็นค่าสึกเจ็บเห็นค่าสึกตายเห็นค่าสึกพลัดพรากล้วก็ดีใจแสดงว่าความยึดถือนั้นไปต้องยึดถือด้วยความเป็นของเราด้วยความเป็นเราหรือด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ถ้ายึดถือด้วยความเป็นสัจจูเราด้วยความเป็นผู้ที่เราจะต้องทำลายจะต้องล้างผลาญให้พินาศไป เพาไม่บาดเกิดขึ้นกับศัตรูตรตุ่นสร้างความดีใจให้บุคคลที่เป็นศัตรูตรด้วยกันทั้งนั้นเพราะ่จะทำให้ความคิดเนี่ยกระจายออกไปถึงเรื่องอื่นๆไปการเพิ่มศรัทธาเพิ่มบัญญาขึ้นในจุดตื่นตั้งจากความเกี่ยวโยงถึงการของธรรมการมองพระสงฆ์ก็จะมองเป็นภาพรุมๆพระสงฆ์ที่จริงก็มีบุคคลสองระดับเช่นเดียวกับชาวบ้าน หมายความเป็นผู้เพียนพยายามปฏิบัติเพื่อลดราคาโทสะโมหะชาวบ้านเองก็พยายามปฏิบัติลดราคาโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะโดยการปฏิบัติตามหลักความใจสิกขาตสิกขานั้นเราก็ปฏิบัติพระก็ปฏิบัติเราปฏิบัติวันทีก็ต่อสู้กันแทบตายสีนหน้ารักษาและรักษาอีกก็เอากันไม่ค่ยอยู่ บางทีรักษาไปแล้วไม่ครบยี่บสี่ชั่วโมงก็หายไปตั้งสองสมข้อล้วบางทีรักษาไปไม่ถึงครึ่งวันหรือรับษาไปไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงก็หายไปข้อสองข้อล้ก็แสดงว่าเรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้เพียงแต่ไม่ง่ายแต่นั้นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสึขต่อไป